ก็ขอนดำน ำ, ำต่อพระนาไตาต่อให้ความก็กลกไม่อย่างเพื่อนเจ้ากระทมิตทุกทุกรูปเจริญพรเจริญธรรมไม่อย่างกุลแม่ชีแล้วก็ไม่ธรรมตื่นกนังแล้วก็ตั้งใจฟังนิดนึ ง, น ง, นงพระตาไม่ตั้งใจฟังแล้วก็ ในเปิดใจคำพูดมันก็จะไม่ได้มีความหมายมามาใส่ตัวเช้าวันนี้เป็นเช้าวัวนพฤหัสที่5ธันวาคมพุทธศักราช2556ก็ถือว่าเป็นวันเฉลิมปจนบรรษา ประชาชนไทยก็ถือว่าเป็นวันมหามงคลอีกวันหนึง่งที่ได้และลึกถึงกฎงามความดีทดําดีเพื่อตัวเองทําดีเพื่อผู้อื่นเรามารวมตัวกันศึกษาเรื่องของชีวิตเรื่องของกายเรื่องของใจเรื่องขางธรรมะเรื่องของตัวเองเรื่องของผู้อื่น สังคมสิ่งแวดล้อมเพื่อเราจะได้ใช้ชีวิตอย่างมีความผาสุขเราเข้าใจกลไกลของธรรมะธรรมชาติเพราะว่าชีวิตของเราต้องเกี่ยวข้องกับภพบชาติเกี่ยวข้องกับความดีความเสื่อมเกี่ยวข้องกับ หลายๆอย่างตัวเองเกี่ยวข้องกับตัวเองติโละอาตัยอิอจนโนนาโถตัวเอ ง, เ, อ ง, เ, องเกี่ยวข้องกับผู้อื่นก็คือเมตตาคุณาเมตาเมตาเบียร์ขาต่างๆมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องศึกษาเพราะชีวิตเรามันมีกายมีใจกายก็ตั้งหัวจรวดเท้านะ กลไกของเขาเป็นอย่างไรการนั่งการเดินการยืนการนอนการกินการกับตายการแก่การเจ็บการตายเป็นกลไกของชีวิตเราจดหมายปลายทางชีวิตก็คือตายเะใหญ่แค่ไหนกับเล็กปลาโลมันตายแน่นอนบางทีเร า, เากายมาเป็นความสุขเอากายเป็นความทุกข์เอากายของเรานะ เป็นเรื่องการยึดมั่นถือมั่นทำให้เราหลงมีกายก็หลงกายที้มกันก็คือมีจิตมีใจต้องเป็นจิตวิญญาณเป็นนามธรรมมีตัวสติมีตัวปัญญามีธาตุรู้มีธาตุว่างถ้ามีธาตุหลงถ้าหลงปั๊บก็เป็นภพชาติหลงโกรธหลงโลภหลงหลงหลงรักหลงชัง หลวงอิชาฤศยาหลงไปในมายาสาไถเยืออย่อหญิงโออวดพยองลำพองตรนงลงมาไปเป็นพพเป็นชาติเป็นการให้เป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นพระก็ได้พระคือปาระภลระคือกำลังใจกำลังใจจะมีก็เป็นเรื่องของคนมีคุณธรรมผู้ที่มีจิตเป็นกุศลมีจิตเป็นบุญ มันจะเกิดความฉลาดเป็นไหวพิปปิพานเป็นความว่องไวในการที่รู้เท่ารู้ทันกายใจของเราเดียว่าความคิดเรื่องของจิตใจถ้ารู้ไม่ทันในความคิดจะยิ่งใหญ่มากคิดเมื่อใดมันก็กลายเป็นเรื่องของจิตซึ่งเป็นนมามธรรมเป็นอาการของจิต ซึ่งเป็นนามธรรมมันเกิดขึ้นที่ยิบเกิดดับเกิดตับแต่ว่าเราไม่มีสติไม่มีเครื่องรับไม่มีเครื่องรู้ไม่มีเครื่องดูมันก็ไม่เห็นเมื่อไม่เห็นมันก็กลายเป็นเราคิดมากยำคิดยำทำกบกวนหมกมุ่นมันก็จะเป็นการซ้ำเติมตัวเอง นี้แหละมันเกิดวิชากรรมฐานขึ้นมาเกิดวิปัสสนาญาณขึ้นมามันเกิดการเจริญสติฝึกสติฝึกสมาธิฝึกปัญญาขึ้นมาในวันเพณเดือนหกเจาชายเรื่อตะออกหาแล้วค้นพบด้วยของเราไม่ต้องแล้วเราเรียนรู้ตามรอยไปเลยเยียบรอยไปเลยทำตามไปเลยมันนของที่เราทำได้ทุกคน เพียงแค่เราเห็นทุกชีวิตที่ผ่านมาเป็นทุกข์ร่างกายเราต้องนั่งต้องเดินต้องยืนต้องนอนต้องกินต้องขับถ่ายเห็นมันเป็นทุกข์ไม่เห็นกายสวยเห็นกายก็เราเป็นความสุขมันก็จะเป็นทุกความหลงใะนิดหนึ่งมันก็ยังจะประมาทต่อไปพอตายสุดไม่เห็นโลงก็ไปหลังน้ําตาพอกายตายใชนไม่ได้อะไรไปเลย วางไม้วางมือหลับตาพร้อมทีจ่จะสละถึงตรงนั้นมันก็เสียงเกินไปประมาทเกินไปยามสงบเราฝึกยามสึกเราลบอย่างี้นะตอนที่ร่างกายเราดีๆแล้วก็มาเป็นพ่วงแพรฝึกหัดกัดเการะเบียบวินัยของกายจิตใจอันนี้ก็เหมือนกันตอนเราไม่ไเผชิญกับปัญหาจนกระทั่งมันหนัก จนจิตเกิดการป่วยระบบประสาทระบบสมองระบบจิตเนีมันกลายเป็นเรื่องของวิปลาดวิผลิตไปทุกข์มากบางคนปฏิวัติธรรมไม่ได้ต้องเดินไปบางทีก็ร้องไห้ไปบางทีก็หัวเราะถึงขนาดนั้นมันก็กลับมายา ก, กเราจึงพูดถึงการคืนสู่สภาพปกติของจิตมาตรฐานของจิตต้องปกติ จิตสุขสุขทุกๆหัวเลาะร้องไห้นะมันผิดปกติจิต ท, ที่มันเฉยเฉยแล้วก็คล่องตัวว่องไวเป็นไหวพิปฏิพานมันจะรู้เท่ารู้ทันอารมณ์ที่มากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนีก็เรียกว่ารูปรดกลิ่นเสียงโผฏฐะธรรมรมอารมณ์ธรรมะธรรมชาติมันจะรู้เท่ารู้ทันเป็นอาการต่างๆเกิดดับเกิดดับที่ยิบ เรื่องของกายก็มีเกิดดับเกิดดับเรื่องของจิตก็มีเกิดดับเกิดดับเป็นภพเป็นชาตินเป็นภพเป็นภูมิเช่เนคิดแล้วกรอดอย่างเงี้ยนะกรอมากๆโ ม, โมโหโธโสมันก็เป็นภูมิของสัตว์นรกมันคิดมากๆคิดจะโลภอยากได้อยากได้อยากไ ด, กได้มือก็ยาวสาวได้สา ว, สาวเอาต้องการทุกสิ่งทุกอย่างนะ เป็นของกูกูเป็นเจ้าของอ น, นั้นก็เรียกว่าเปรตไม่อิ่มหิวอยู่เสมอตาใจของเรามันขัดแยง้งดีก็ไม่เอาดีขนาดไหนเราวิชาริยาอาคติตัวอาคตินี่แหละเรียกว่าเป็นสัตว์เดรัจฉานสัตว์นิ่มยังรู้ดีรู้เชื่อพ่อแม่มันก็อาคตันอยู่ตอบได้ พ่อแม่มันก็เป็นผัวเป็นเมียได้สัตว์โลูกก็เป็นผัวเป็นเมียได้สัตว์เวลายิ่งหิวก็กัดกันได้อันนี้มันพบภูมิของเดลฉานชัดเลยมันก็ดีแต่ว่ามันก็ไม่เห็นหรอกบัดดีมันเป็นยังไงมันก็มองแต่แง่ไม่ดีอาจจะเป็นอย่างที่กําลังเกิดขึ้นทุกวันนี้ก็ได้ก็โชคดีแต่อาศัยบารมีของพระเจ้าแผ่นดินเราวันนี้วันที่ห้ามาราช วันที่สี่วันที่สามทุกคนก็ไม่กล้าที่จะทำอะไรกันมากกว่านะเกลียดใจในวันที่ห้าธันวาคมเหตุการณ์มันจะไม่สงบเนี่ยถ้าเกิดยิงกันนองเลือดมีคนเจ็บคนคนตายเกลื่อนมันก็หมายถึงว่าวันนี้เป็นวันที่พ่อของเราเศร้าที่สุดมาพูดทั้งน้ำตานี่ยแหละลูกๆทะเลาะ ก, กันอันนี้ก็เรียกว่าบรารมี มีตัวหนึ่งก็ามาทําให้เราได้เกิดความคิดเกิดการสะกิดใจแล้วก็ควรที่จะเกี่ยวข้องอย่างไรจะกระตันอยู่ต่อหรือว่าเนลคุณจะถอยรยศ ด, ด้วยว่ามีการแสดงออกอย่างไรอีกต่อไปมากมายแล้วกันชั้นใดก็ดีชีวิตของเราก็เหมือนกันบางทีเราก็ทะเลาะกับตัวเอ ง, งทีเราก็ทะเลาะกผู้อื่นคําว่าทะเลาะกับตัวเองคือคิด ความคิดที่มันเกิดขึ้นความคิดดีความคิดไม่ดีต่างๆบางทีเราก็ไม่ชัดเจนเพราะว่าสติปัญญามันไม่ว่องไวเป็นไหวพิปปิพานมันเป็นเรื่องของตัวหลงพาคิดตัวหลงพาพูดตัวหลงพาธรทำแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวบารมีก็คือตัวสติปัฏฐานนี่เองตัวการเจริญสตินี่เองในการฝึกสติเจริญสติมีสมาธิ ม, มีปัญญา มันมีศีลมันมีธรรมมันมีอยู่ในความรู้สึกตัวตอนนี้เราจะมาฝึกกันมันก็จะมีรูปแบบมีกรรมวิธีมีมากมายเหลือเกินเช่นดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกหรือว่าก่อนที่มันจะดูรับรู้สัมผัสกระทบที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกซึ่งลมหายใจของเรามันก็มีตั้งแต่เกิดนั่นนะปรากฏขึ้นมาหายใจ ลองหายแวแวแแวแแ ว, แวแกระตุนปอดจนกระทั่งมันเกิดระบบการหายใจที่สมบูรณ์ขึ้นมาจนถึงทุกวันนี้เราก็ยังมีชีวิตอยู่มีลมหายใจเข้ามีลมหายใจออกก็เรียกว่าอาณาปะนาป า, ป า, า, า, ป า, าสติกำหนดรู้ลมหายใจเข้ารู้สึกกำหนดรู้ลมหายใจออกรู้สึกกคณิมีบอกว่า นั่งตั้งกายให้ตรงอย่างงี้นะแล้วก็ดํารงสติให้มั่นลมหายใจเข้าก็รู้สึกตัวเนี่นะก่อนที่จะรับรู้ร ร, ร, รู้ลงรับรู้ก่อนท่านั่งกิริยาการเป็นไงอ้าท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาทับมือซ้ายจัดระเบียบมันก่อนวินัยของมันเสร็จแล้วก็จัดระเบียบของจิตต่อว่าให้มันรู้ให้ต่อเนื่องทีหนึ่ง จะเกิดสมาธิขึ้นมามันคิดหรือว่าส่งจิตไปไหนก็ตามก็กลับมารู้ที่ลมหายใจมันหลงไปกับความคิดใดๆก็กลับมารู้ที่ลมหายใจมันออกไปทางหูฟังเสียงกลับมารู้ที่ลมหายใจฝึกมันอันนี้คืออ e ิริบที่มันเกิดขึ้นเองเป็นเองตามธรรมชาติพลังชีวิตมีลมหายใจเข้าลมหายใจออก ก็ช่วยเอาเป็นอุปกรณ์ช่วยเอาเป็นเครื่องมือต่อมาก็มีอีกก็คือเวลาเราเดินจงกรมเดินไปไหนมาไหนก็ให้รู้สึกตัวนั่งก็ให้รู้สึกตัวนอนก็ให้รู้สึกตัวนั่งเดินยืนนอนให้รู้สึกตัวมีความรู้เนื้อรู้ตัวรู้สึกตัวนั่งก็เป็นความรู้สึกตัวเดินก็เป็นความรู้สึกตัวก็เรียกมีความรู้สึกตัวนะมันเด่นขึ้นมา นอกจากลมหายใจจนกระทั่งเป็นก็ว่าตั้งแต่ ต, ตื่นยันหลับเลยตื่นขึ้นมาพอรู้สึกตัวก็รู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกหลังกระทบกับเพื้นอยู่ภาพที่นอนหมอนมุ้งให้รู้สึกตัวขณะที่ลุกขึ้นเยืนเอียบด ท, ที่มันเริ่มมีการเคลื่อนการไหวใ ห, ให้รู้สึกตัวล่างหน้าแปลงฟันให้รู้สึกตัวน แต่็จแล้วแต่งเนื้อแต่งตัวเดินมาทําวัดสวดมนต์ในขณะเดินมีนรู้สึกตัวก็เป็นการฝึกหัดกันตแต่ตื่นจนหลับเลยการเคลื่อนไหวแต่ละขณะแต่ละขณะแต่ละขณะแต่ละขณะขกละไก ล, ลของกายของจิตวินาทีหนึ่งรู้ครั้างหนึ่งวินาทีหนึ่งรู้ข้างหนึ่งให้ชีวิสู่ปัจจุบันชีวิตเรามันมีอดีตด้วยมีอ น, นาคต ด, ด้วยอดีตมันก็เกิด การวัตถบลงไปในจิตในใจเป็นความดีเป็นความเชื่อเป็นบุญเป็นบาปเป็นบัญชีแผ่นทองคําเป็นบัญชีหนังหมาเน่ามันวัทับไว้การคิดการพูดการทําระบบสมองระบบประสาทระบบจิตนมันก็จําไม่ลืมเหมือนกันบางเรื่องบางท่านที่วควรผ่านไปแล้วเยมันติดภายในจิตใจของเราที่เราวิบากกรรมนั่นแหละมันเป็นผลที่เกิดมาจากการกระทะ เคยทำบุญนก็ติดบุญมาจนเป็นจริตนิสัยเคยทำบาปก็ติดบาปมาจนเป็นจริตนิสัยอันนี้บางทีเราอยากลืมก็จำบางทีเราอยากจำมันก็ลืมเนี่ยก็เนื่องมาจากลักษณะของการยึดติดก็เรียกว่าอุปท า, านนะนะไปในจิตใจของเราฉำน้นภาษาวิยาทยาศาสตร์ใช้ล่าวว่าจิตใต้สํานึกอิจโก้จิตสํานึกจิตใต้สํานึก ก็เรียกว่ามันฝังเอาไว้ตอนนี้บางทีเราต้องการมีชีวิตอยู่กับการทำหน้าที่การงานของเราเจิตนาคิดเพื่อจะทำงานในปัจจุบันว่าความคิดในอดีตมันก็มาเช่นบางทีเนี่ยภรรยาทำงานธนาคารส า, ามีไปมีเมียน้อยอย่างเงี้ยส า, ามีเป็นคนเกลีเลเกเล ไ, ไม่เอาทานสมมติ ก็มีเยอะอยู่ในโลกงความเป็นจริงเร็จ แ, แล้วก็เกิดนอกใจภรรยากระตอมใจนะบางทีแทนที่จะใช้สมองใช้ความคิดนับเลขให้เงินคนให้ถูกต้องเบิกเงินหนึ่งพันเงี้ยบางทีก็นับเงินเกินให้เขาก็มีจนต้อ ง, งมาชดมาใช้กันทีหลังเงินเดือนไม่พอใจก็มีก็เลยชีวิตไม่อยู่กับปัจจุบันไม่เหมาะกับการทำหน้าที่ บางทีจเกิดการผิดพลาดขับรถอยู่เงี้ยใจเหมื่อลอยไปคิดถึงพ่อแม่อยู่ที่โรงพยาบาลหรือเดินข้ามถน น, นคิดถึงพ่อป่วยอยู่ในโรงพยาบาลแม่ป่วยอยู่ในโรงพยาบาลอาการหนักรถชนตายเลยก็มีบางทีขับเม่อเมื อ, มอรถข้างหน้ามีแต่มองไม่เห็นก็ชนท้ายเขก็มีมันก็เป็นเรื่องของจิตที่เวลามันอยู่กับความคิดมันก็ไม่เหมองแก่หน้าที่การงานต่างๆ จะเป็นความคิดที่เราไม่ได้เจตนาคิดตรงนี้แหละคือปัญหาของชีวิตทุกๆชีวิตเลยถ้าไม่รู้เท่าไ ม, ไม่รู้ทันไม่เคยฝึกหัดไม่เคยรับรู้เรียนรู้มาก่อนไม่เคยได้ยินได้ฟังเราจึงมารับรู้ข้อมลกันทุกข์เกิดจากความคิดเองในโลกนี้ไม่มีใครทําให้เราทุกข์ได้นอกจากตัวเองทําตัวเองตัวเองไม่รู้สึกตัวตัวเองขาดสติเพราะฉะนั้นองค์สมเด็จจำมาวเจ้าเนี่ย ไปรู้เรื่องศาสนาเรื่องของตัวเองศาสนาคือตัวเราเราเชื่อผีก็เป็นศาสนาผีเราเชื่อต้นไม้เป็นศาสนาตน้นไม้เราเชื่อแม่น้ําก็เป็นศาสนาของแม่นม้ําเชื่อสิ่งไหนก็จะได้ทําสิ่งนั้นล่ะกันเนี้ยมันก็จะมีขึ้นมาคราวนี้เราเชื่อว่าจิตของเราประพัดสอนป่องใสเราเชื่อว่ามันมีอยู่จิตเดิมแท้นะมันเป็นธรรมชาติเดิมๆที่มันป่องใสอยู่ ใจที่มันว่างจากความหมายความเป็นตัวตนจิตใจที่มันว่างมันวางมันจะปล่อยจะไม่ยึดตัวนี้องตมิต ต, ตมันเจ้าได้ชี้เอาไว้นะ 2, สองันหรอปีเสร็จแล้ววันที่รู้จนถึงวันที่นะละสังขารปรินิพานไปก่อนที่จะปรินิพานนั้นได้พูดเอาไว้บทเมื่อกี้ที่เราส่วนนะปัจฉิมโอวาท อันตตาในพิกเวะมันตยายมิโบเนี่ยดูก่อนท่านทั้งหลายภิกษุทั้งหลายบัดเนี่ยเราขอเตือนท่านทั้งหลายว่าวยธรรมมาสังขาราสังขารทั้งหลายคือการปรุงแต่งทั้งหลายทั้งกายทั้งจิตนะร่างกายเรามันก็ปรุงแต่งธาตน้ำธาตุไฟธาตุดินธาตุลมจิตใจมันก็ปรุงแต่งเป็นบุญเป็นกุศลเป็นความดีเป็นความฉลาดเป็นความโง่ความเสื่อมจิบหายอายนาต่างๆ เกิดจะการปรุงแต่งคิดดีคิดไม่ดีเรื่องเรื่องเดียวกันมองดีก็ได้เรื่องเดียวกันมองไม่ดีก็ได้เรื่องเดียวกันมองเป็นลรื่องของสมมุติปรอมมตดก็ได้เห็นอภมาเทนะสัมปาเททะท่านทั้งหลายจงทําความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดจงทําประโยชน์ตนประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมเถิด นี่เป็นคําสั่งสอนที่มีในครั้งสุดท้ายครั้งสุดท้ายเลยนะประโยคสุดท้ายเลยนะของพระคาถาโคเจ้าวเราก็น้อมมาปฏิบัติฝึกหัดเลยทันทีนะการไม่ประมาทความไม่ประมาทก็คือการฝึกสติการเจริญสตินี่เองมันมีสติก็มีมสัมยัญยะมันมีสติมันก็เกิดอะไรหลายหลายอย่างสติเป็นพ่อเป็นแม่ของกุศลธรรมทั้งหมดสติเป็นพ่อเป็นแม่ ของความดีความงามทั้งหมดนะคนที่มีสติยังเกิดนะวะัฒนธรรมประเพณนะีจารีตอันดีงามหนะรือว่าเกิดอรยธรรมขึ้นมานะจากการที่มีสติมีปัญญานะจะทําอะไรมันก็เกิดการนะชัดเจนแม่นยำแล้วเกิดสันติสุขสันติภาพการคิดการพูดการทําเพราะฉะนั้นปฏิบัติธรรมหรือการมาจัดระเบียบของกายวาจาใจของเราเนี่อง เกี่ยวข้องแบบเป็นประโยชน์ตนเป็นประโยชน์ท่านทำแล้วไม่เป็นกรรมทำแล้วเป็นความบริสุทธิ์เป็นธรรมะเป็นอาสโสอาโหสิกรรมเป็นความให้อภัยทั้งหมดเพราะว่ามันไม่ได้มีเจตนาอะไรในใจของตัวเราเองเพราะฉะนั้นการทำอะไรในหลักกฎหมายถ้าไม่ได้เจตนามนไม่เวนกรรมหรอกไม่ได้มีเจตนาจากโทษหนั ก, กเป็นโทษเบาโทษเบาก็ไม่ได้มีความหมาย คนเคยทำดีมากมา ก, มากทาผิดก็ก็เรียกว่ารอลงอาญาก็าได้ภายในจิตใจของเราจึงต้องจัดระบบนะรู้เท่ารู้ทันในโลกนี้ ม, นมีสมมุติเต็มโลกเลยมีระบบของการสมมุติมากมายแล้วกนไอ้ที่ผิดก็ลองเป็นมากๆอาจจะถูกก็ได้ไอ้ที่ถูกตากว่าถูกไม่ถูกที่ก็ผิดก็ไดนะ้เราก็เลยมาเรียนรู้ร่วมกัน โดยเฉพาะระบบความคิดเนี่ยเราจะเห็นความคิดของเราจนกระทั่งความคิดไม่มีอำนาจเนี่นะก็ต้องให้ความคิดออกมาจากความคิดที่มันเคยเป็นในอดีตก่อนอันดับแรกอันนี้ก็ก็ฝึกให้คิดให้ดีคิดให้เป็นก็เรียกว่าโยนิโสมสัชการ์อย่างละมาที่วัดนี่ต้องคิดให้เป็นบรรยากาศหนาวคนคิดไม่เป็นเอามาเป็นความทุกข์ได้เลย บางคนเอาความหนาเป็นปัญญาเป็นความเข้มแข็งนะบางทีนะการฝึกการหัดนะพอเราเริ่มเห็นความคิดความคิดสอนความคิดจิตสอนจิตนะมันจะมีนะก็เรียกโยนิโสมนสิการคิดอย่างแยกคายนะแบ่งเป็นประมาณสิบเรื่องแล้วนะคิดแบบศึกสาหาเหตุเนะพรเกิดเห็นนี้มันก็มีผลอย่างนี้ผลอย่างนี้เกิดไปเหตุอย่างนี้นะ เราจะได้ทําเหตุให้มันดีจะได้มีผลดีต่อเราต่อชีวิตของเราต่อผู้อื่นนะเกิดสันติสุขสันติภาพได้คิดแบบปัจจุบันขณะนะขณะนี้มันเป็นอย่างนี้มันไม่ใช่อดีตนะขณะนี้คือเดี๋ยวนี้ที่นีนะ่งานในหน้าที่นะทําให้มันงดงามต่อไปนะมันเป็นประสบการณ์ตรงไอนะที่ว่าไม่ดีอาจจะดีก็ได้ พอผิดครั้งแรกก็เรียกว่าครูเ้วก็อ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเริ่มต้นใหม่จะไม่ทำเหมือนเดิมยังเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาอันนี้เรียกว่าคิดเป็นคิดแบบท้ายสุดคิดแบบระดมสมองก็คือรวมหัวกันมันคิดไม่ออกบอกไม่ถูกแล้วก็มามาม า, มาตั้งโต๊ะคุยกันเนมื่อรลบระดมสมองคล้คลายๆก็ว่าคิด หลายๆ ห, หัวท้ายสุนก็ได้เสียงคนหมู่มากะเอาเสียงคนหมู่มากว่าก็ได้หรือคนหมู่น้อยนเป็นคนที่มีประสบการณ์สูงเป็นสัตุตรุษเป็นผู้หูสุดเป็นปุจนียบุคคลได้รางวัลเยอะรางวัลแม็กซ์ใ่ใสรางวัลที่โลกก็ยอมรับนถึงเสียงส่วนน้อยก็ต้องฟังกันเป็นต้นนะ บางทีหมู่มากแต่ว่าปัญญาไม่มีใช้กําลังดันอย่างเดียวอีกคนต้องมีสมองมีทั้งกําลังมีทั้งประสบการณ์มีทั้งบริวาลเนี่ยบางทีมันก็ต้องฟังกันอย่างเช่นฮาธานวามหาราชนะในหลวงพูดนางีก็ต้องฟังกันเป็นต้นนะเราก็จึงนะได้เห็นวิธีคิดต่างๆเกิดขึ้นมาคิดแบบปลุกเล่าคุณธรรมนะมองแต่แง่ดีอย่างเดียวไม่มองแง่ร้ายหรือว่าแยกแยะ มันดีอย่างไรมันไม่ดีอย่างไรมีข้อดีก็เสียอย่างไรเนะี่ยก็เป็นระบบของความคิดแต่ว่าการมาฝึกสติที่วัดป่าสุโกโตนี่ไม่ต้องไปคิดแบบนั้นหรอกนะออกอีกทางหนึ่งก็คือกลับมารู้สึกตัวรู้สึกตัวมันทำไงก็พลิกมือขวาตั้งขึ้นอย่างนั้นอะตอนนี้ทําเลยลองฝึกเลยไม่ต้องใช้ความคิดนะตัวนี้นะออกมาจากความคิดก่อน แลเดี๋ยวพอมีสติแล้วไปจัดเราบอกว่ามันเองนะเรื่องของมันมีเรื่องเราเป็นเรื่องกฎแห่งกรรมเรื่องธรรมกฎแห่งธรรมชาติมือซ้ายมือขวาวางวิธีพักเข่ า, ขานะจาวนี้เป็นมิงมหมามงกลเร า, ามงคลใส่ตัวเราตัวสติตัวสมัมมณยะตอนนี้เราจะฝึกให้รู้สึกตัวพลิกมือขวาตั้งให้รู้สึกตัวยกขึ้นมาให้รู้สึกตัว เคลื galaxies, isis, ่อนมาวางที่จะเดือให้รู้สึกตัวพลิกมือซ้ายตั้งให้รู้สึกตัวยกขึ้นไปให้รู้สึกตัวเคลื่อนมาทับหลังมือขวาให้รู้สึกตัวมือขวาเคลื่มาที่อกให้รู้สึกตัวมือขวาเอาออกไปให้รู้สึกตัวตั้งไว้ที่เข่าให้รู้สึกตัวขณะเคลื่อนให้รู้สึกตัวนขณะหยุดให้รู้สึกตัวความลงให้รู้สึกตัว เคลื่มาซ้ายเลื่มาที่โอกให้รู้สึกตัวเคลื่อนออกไปให้รู้สึกตัววางตั้งไว้ที่เก่าให้รู้สึกตัวความหลงให้รู้สึกตัวเนี่อันนี้เป็นรูปแบบที่เรียกว่าสิบสี่ช่วงะถ้ารวมจากถ้าเริ่มต้นก็เป็นสิบห้าพอดีถ้าเริ่มต้นกับท่าจบมันเหมือนกันแต่ว่ามันเริ่มต้นเหมือนกันเพื่อที่จะเคลื่อนกลับมาเริ่มต้นที่จะหยุดอย่างไงนะ ความแตกต่างคือมันเคลื่อนแล้วมันก็จบมันมันมันมันจะเริ่มเคลื่อนนะเป็นการเริ่มต้นเป็นการฝึกในรูปแบบเป็นการจำลองมันก็จะทำบ้านก็ต้องมีพิม์เขียวพิม์เขียวไม่ใช่บ้านบ้านก็ไม่ใช่พิม์เขียวแต่บ้านมาจากพิม์เขียว เ, เรียกวาจำลองเียนะ เลื้อป้องกันอุบัติภัยยเี้จําลองมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงๆแต่ว่ามันก็เสมือนจริงแต่ยังไม่มีการบาดเจ็บเงี้ยนะเป็นการซักซ้อนจําลองสิบสี่ชังบาปก็เหมือนกันน่ะละมันจําลองตัวชีวิตของเราที่มีการเคลื่อนไหวเลิกเคลื่อนไหวแล้วขณะไปทําบุญทาําบาปทั้งนั้นเลยเคลื่อนไหวจะตบยงเป็นบาปเคลื่อนไหวขึ้นมาจะยกมือไหว้เป็นบุญเคลื่อนไหวเอามือจับช้อนแล้วเคลื่อนมือยกขึ้นมาเอาใส่ปากะ มันก็เป็นความฉลาดเป็นกุศลอย่างเงี้ยเราจะได้เรียนรู้แต่ละขณะนะเมื่อจิตเรามาอยู่กับกายมันก็จะมาออกจากความคิดแล้วพอมันเผลอเมื่อไหร่เดี๋ยวมันจะวิ่งแวบไปเลยหนะึ่นจะกลับไปสู่ของเดิมจจริตนิสัยนิสัยสันดานเคยมีวิธีคิดแบบไหนมันจะดูดมากเลยแล้วมันจะเป็นกับดักในชีวิตของเราถ้าเราตกล่มไป เ, เสื่อมเลย เดินทางก็ช้ามากชีวิตพัฒนาได้ช้ามากชาวบ้านชาวเมืองก็พุ่งพรวดไปถึงไหนมีความสาเร็จั้่เรายัางเฉยเฉยเอ่ยอ่ออๆติบตบตันตันมืดมืดมัวมัวไม่มีความชัดเจนอะไรเลยไม่ทะลุปูโป่ปปงนะมันมองอะไรไม่ได้มองเป็นชานมันมองอะไรมันไม่ได้มองด้วยสติด้วยปัญญา ม, มีอารมณ์จะเป็นคนที่โลเลแล้วก็ทำอะไรก็ไม่มั่นใจในตัวเอง ไม่มีความมั่นคงเนี่าดังนั้นเรานะมีโอกาสที่ได้ฝึกจำลองชีวิตของเราขณะที่อยู่วัดป่าสุกโตจะเห็นความจริงศาสัจธรรมทุกเกิดจากความคิดอย่างนี้นมันจริงหรือไม่วันที่สิบสามกันยายนนะเกิดที่เรียกว่าวันหลวงปู่เทียนเป็นวันที่ปัญญาชนทั้งหลายเขาบคนที่จะรู้เรื่องนี้มีน้อ ย, อยไม่เยอะรวมกลุ่มกัน ไม่เหมือนกับรวมกลุ่มกันทําทานทําบุญไม่เหมือนกับรวมกลุ่มกันรักษาศีลหรือศีลกินเจวิปนะัสสนานี่มีจํานวนคนกลุ่ม น, น้อยๆส่วนะนใหญ่เป็นคนที่มีปัญญาและมีความสําเร็จสูงนะปัญญาชนนีหันมาเจริญสติปุสติกันเยอะมากปัจจุบันนี้ยุคนี้ยรู <c oughs> ้คนมีความสําเร็จนะมีเงินมีทอ ง, ม, ทองมีทรัพย์สินนะเดี๋ยวนี้ก็กลับลงมานะสู่ธรรมชาติเดิม แปลบเสมือนว่าเศรษฐนะีที่มีเงินมีทองก็มากินอาหารแมโครแบลติกเียอาหารเทลฟูดเพิดกินได้ไมมเป็นยามาทำตัวง่ายๆนะเศรษฐีใส่กางเกงยีนเสื้อยืดเก่าๆทำตัวแบบพากิลิวหอทองนะเศรษฐีสร้างบ้านบนภูเขา ภูเขาสูงขนาดไหนป่าไม้เทือขนาดไหนขึ้นไปสร้างอยู่ตามรีสอร์ทมีริดมีเดดพอสมควรนะว่าทำตัวง่ายๆเศรษฐีตัวอผอมๆจะไม่มีอ้วนละเศรษฐียุคปัจจุบันเนี่ยนะก็จะมีปัญญาฉลาดก็รู้ว่ารอบเอวหนาเท่าไหร่มันก็อาการป่วยหรือว่าอายุสัน้นก็เกิดขึ้นมาเท่ารอบเอวนั่นแนหะละโรคไร้ภัยไร้เกิดขึ้นไหม พุงโตมากระไรเงี้ย ก, ก็ทำตัวผอมๆออกกำลังกายแพงขนาดไหนอาหารไดเ์เบเซลก็ซื้อมากินกันขออย่างเดียวให้สุขภาพดีนะเพราะนั้นปฏิบัติธรรมในฝึกสติเนี่ยเดี๋ยวนี้คนที่มีความสำเร็จนะหันมาฝึกกันเนยอะว่าเราไปส่วนหนึ่งที่โชคดีนะอย่างน้อยนะไม่เกี่ยวกับศรัทธาหรือไม่ศรัทธาว่าโครงการเขาจัดมา ก็อย่างที่เคยพูดบ่อยๆก็คือเกิดจากแรงอิสระจิตของพวกเราที่เคยพูดเคยคิดว่าจะประคุณพบหนึ่งชาติหนึ่งก็ขอให้เกิดเป็นชาวพุทธเกิดเป็นมนุษย์มีศาสนาแล้วเป็นศาสนาพุทธซะด้วยในโอกาที่ฝึกสติเจริญสติปัฏฐานจะได้เข้าถึงนะมักผลนิพพานจะได้เหนือเกิดเหนือแก่เหนือเจ็บเหนือตายก็เป็นวันนี้ของเราแล้วเราก็ต้องเรียกว่า ใชโอกาสละเก็บตกนะทุกๆขณนะรู้สึกตัวอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบนอกรูปแบบกระิบตาหายใจท้องผ่องเยุบต่างๆการนั่งการเดินการยืนการนอนการรู้สึกตัวมันมาถึงแล้วเวลานั้นสิ่งที่ไม่ควรอธิษฐานนะรู้ไหมคืออะไรจะประคุณเกิดชาติหน้าฉันใดก็ขอให้ได้เจอได้เจออีกทุกๆชาตินะคุณดีเหลือเกิน ไม่ต้องอธิษฐานเลยนะแบบนี้แม่ดีเหลือเกินแม่ดีเหลือเกินขอเกิดเป็นลูกแม่ทุกๆพบทุกชาตินะอันนี้ไม่ต้องอธิษฐานหรอกนะเดี๋ยวเกิดมาถ้าบุญก็เหลือไม่เท่าเก่าคือชาตินี้ก็ดีอยู่แต่ชาตินาเนี่ยเศษกรรมก็เยอะมากนีก็เกิดมาเหลือไม่เท่าเก่าเป็นง่อยเปียเสียขาอามาพลึกเอาม พ, พาดโมโหโตโสดูไล่เกิดมาเศษกรรมก็สูง เราก็จะแย่เลยดูแลเป็นภาละประเพณนี้เกิดจากแรงอธิษฐานเหมือนกันหรือว่าจะประคุณชาณาฉันใดนะขอได้อย่าได้เจอได้เจอนิทุกชานนะชาตินี้ตายก็ไม่เผาผีแล้วเกลียดแล้วเกินะอย่าไปอธิษฐานนะเดี๋ยเศษกรรมดีเขามีอยู่ชาติหน้าเขาเกิดมาตั้งหลอ่อทั้งรวยทั้งเก่งนะเราเห็นก็ปิ้งแวบเกิดมาหนะลักแรกพบเนี้ย ยิ่งรักก็ยิ่งวิ่งหนีอะพวกนี้ไม่สมหวังเลยนะชีวิตเนี่ยกิดจากแรงอิทานทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นการที่เราได้อิทธิจิตจนเกิดวันนี้แล้มานั่งอยู่ที่นีน้เป็นเรื่องของบุญที่เราจะต้องต่อยอดเป็นกุศลต่อไปเอาความสุขสวยรวยดีต่างๆต่อยอดเป็นความฉลาดเห็นความจริงซะเป็นเรื่องของการปล่อยการวางโดยว่าความคิดของเรา เจตนาคิดก็คิดไม่ได้เจตนาคิดก็กลับมารู้สึกตัวดีกว่ารู้เท่ารู้ต่ากันต่อไปอาราก็พูดให้ฟังนะโดยสังเกตเพื่อเราจะได้ลมต้นที่จะปฏิบัติธรรมกันตั้งวันหนึ่งวันสองวันสามวันนะั่นแหละก็ะได้มีข้อมูลเบื้องต้นนะก็ขอให้เราได้ใช้ชีวิตนะที่วัดป่าสโสตโตนะจนกระทั่งเหมือนกับว่าเกิดความผาสุกนะเป็นการพักพรอนกนว่าได้เพราะเราได้ตรากตรำกันมานานแล้ว ก็เรื่องครอบครัวเรื่องของความดีความงามหาเงินหาทองช่วยเหลือคนไข้คนป่วยตามหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุขต่างๆวันนี้เป็นวันที่เราจะได้เหมือนกับพักผ่อนทางจิตวิญญาณกันร่างกายของเราก็จะได้นั่งเดินยืนนอนผ่อนคลายแล้วก็จิตใจของเราจะได้ปล่อยวาง จอถ้าเหมือนกับว่าเราได้หลักของชีวิตแล้วกลับไปช่วยสังคมกันต่อไปก็ขอให้ความดีของเราทั้งหลายนั้นการปฏิวัติไปว่าธรรมของเราถ่ายนั้นจะเป็นไปเพื่อความผาสุขจอท่านเหมือนกับว่าเห็นความจริงเหนือเกิดเหนือแก่เหนืเจ็บเหนืตายแล้วก็เหนือทุกข์ก็ได้เกิดกับพวกเราในการฝึกการหัดประี น, น์นี้ตามสมควรแก่การด้วยบัติโดยทุกหนากันทุกท่านทุกคนนั้นเตอ